วันนี้ก็มาสนทนาพระธรรมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะโดยเฉพาะก็คือในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการที่เรามาฝึกในการเจริญสมาธิหรือว่ามาฟังเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสมาธิหรือเจริญสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาเมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องของตัวส ป, ปายะก็พูดถึงในเรื่องของอั ป, ปนาโกสัลระเป็นต้นด้วย ก็คือความแล้วก็พูดถึงในเรื่องการฝึกสมาธิเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาจากกามาวจรกุศลเข้าสู่มหาคตากุศลเป็นต้นทีนี้จริงๆไม่ได้ขยายเกี่ยวในเรื่องของอัปนาโกสัน ล, ละ10ประการวิธีทําให้อัปนาช่อมชอง10ประการเนี่ยไม่ได้ขยายไว้มากได้พูดแบบยอ่อๆ วันนี้ก็อยากจะมาพูดให้ชัดลงไปด้วยแล้วก็มีการยกตัวอย่างจะได้ไม่เร็วจนเกินไปบางทีพูดแล้วเหมือนเข้าใจแต่ไปทำกันไม่ได้เนี่ยสำหรับบุคคลที่ฝึกสมาธิได้หรือกำลังปรารถนาที่จะฝึกในการเจริญสมาธิเพื่อเป็นบาดแห่งการเจริญวิปัสสนาญาณเป็นต้นผู้ที่เพียรปฏิบัติที่แม้ว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ยังไม่เกิด สมาธิหรือบุคคลที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยรู้สึกผิดหวังอยู่เรื่อยเลยสมาธิไม่เป็นไปตามอย่างที่ตนเองเนี่ยคาดหวังแปลว่ามมีปัญหามันมีปัญหาตั้งแต่ได้พูดไว้แล้วในเรื่องของการที่บอกว่าสปายะทั้งหลายสมมติว่าได้หมดแล้วตั้งแต่อาวาะสะสปายะไล่รมาตามลำดับจนถึงอียบทสบปายะ เ, เราได้ส ป, ปายะเหล่านั้นแล้วแต่ต้องมาว่าเอะจะทําอย่างไรจะให้สมาธิภาวนาเนี่ยมันเจริญภบูบุ์ผินโยภาพ ย, ยิ่งขึ้นไปให้ประสบความสําเร็จก็ต้องมาพิจารณาในี่กแล้ว่าวิธีทําให้อั ป, ปนาเนี่ยมันช่ำชองคืออั ป, ปนาโกสัลคือความฉลาดในการที่จะทําให้จิตเนี่ยเข้าถึงอั ป, ปนาเข้าถึงความแนบแน่นเข้าถึงความสงบหรือเข้าถึงความเป็นสมาธิได้อันนี้ความชาญฉลาดในการที่จะทํา ควรบรันเพนวิธีให้อปปนาเนี่ยช่ำชอง10ประการนะใน10ประการนั้นก็คือว่าหนึ่งชำระวัตถุให้สะอาดในข้อแรกที่ได้กล่าวไปแล้วสองปรับอินทรีย์ให้เสมอกันจะไม่พยายามจะไม่ใช้ภาษาบลีประการที่สมก็คือฉลาดในนิมิตที่จริงนนิมิตตะกุศละโตฉลาดในนิมิต 4ี่ก็คือประคองจิตในเวลาที่ควรประคองประคองก็คือยกจิตนั่นแหละห้าก็คือข่มจิตในเวลาที่ควรข่มหก็คือทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเจ็ดก็คือวางจิตเป็นกลางในเวลาที่ควรวางจิตให้เป็นกลาง8ปดก็คือหลีกเว้นคนที่ไม่มีสมาธิ <c oughs> คกคบหาบุคคลที่มีสมาธิแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือน้อมจิตไปในสมาธินั้นๆเขาเรียกตะทะทิมุตตะโตน้อมจิตที่จะให้ได้สมาธิอยงนนในสิบประการนั้นอ่ะอันดับแรกชำระวัตถุให้สะอาดการชำระวัตถุให้สะอาดก็คือการชาระวัตถุทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกให้สะอาดก็คือเวลาที่ผมเอยเล็บเอย เป็นต้นเหล่านี้นะเหงือไค่ทั้งหลายร่างกายมันเปื้อนเป็นต้นวัตถุภายในย่อมไม่สะอาดหมดจดนั่นแปลว่าเป็นภายในถ้าจีวรหรือเสื้อผ้าทั้งหลายเหม็นที่อยู่สกรปรกนั่นแปลว่าวัตถุภายนอกไม่สะอาดหมดจดเมื่อวัตถุภายในและภายนอกไม่สะอาดมันมีผลต่อจิตใจพอจิตใจเศร้าหมองปัญญาที่อาศัยจิตที่เศร้าหมองก็ย่อมไม่หมดจดไปด้วย ดูสิมีผลนะมันเป็นปัจจัยเกี่ยวกันและ ก, กันจริงๆถ้าเราไปดูห้องนอนไปดูที่อยู่อาศัยของคนเนี่ยวัดได้คนเนี่ยเป็นประเภทอะไรบง่งบอกนะว่าปัญญาหมดจดไม่หมดจดอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เมื่อวัตถุภยัยปัญญาที่อาศัยกิจนะั้นะเกิดขึ้นย่อมไม่หมดจดเช่นเดียวกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับ แสงตะเกียงที่เกิดขึ้นโดยอาศัยตะเกียงอาศัยไส้อาศัยน้ำมันที่ไม่สะอาดสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีตะเกียงยังไม่วอาจุดตะเกียงเนี่ยมันจะมีไส้จะมีน้ำมันจะแสงตะเกียงถามว่าถ้านน้ำมันไม่สะอาดไส้ไม่สกรปรกไอไฟที่ลุกก็ไม่ใสไม่ใสหรอกมันก็ขุนสีมันมีควันดำปึ๊บเลยสังเกตดูหไหมน้ำมันไม่สะอาดไส้สกรปรก ควันมันจะดำนี่ก็เหมือนกันผมลุงลังลรลุงลังฟันไม่เคอะเงือใครเนี่ยเป็นภายในทั้งหลายเนี่ยผมเข็มผมขนเล็บฟันทั้งหลายเนี่ยไม่ตัดไม่ดูแลเลยเนี่ยเสื้อผ้าเขาสกรปรกเขาอีกห้องนอนที่เยอใสยเขาสกรปรกเขาอีกเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมมันบ่งบอกถึงว่าสภาพจิตสกรปรกจึงไม่ดูแลตัวเองอย่างนั้น ในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยวางปล่อยปละละเลยอย่างที่เราเข้าใจนะทำตัวเองสกปกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเลย <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นนี่แปลว่าเห็นหมฉลาดในการที่จะชำระก็หมายความว่ า, วาสังขารย่อมไม่ปรากฏชัดเจนแกผู้พิจารณาเห็นสังขารด้วยปัญญาอันไม่หมดจดและสมถะกรรมฐาน คือความสงบแห่งจิตก็ไม่เจริญงอกงามไพ่บู์แก่ผู้ที่เจริญกรรมฐานอยู่เช่นกันแต่เมื่อวัตถุภายในคือร่างกายเป็นต้นวัตถุภายนอกคือเสื้อผ้าและสิ่งของภายนอกเป็นต้นสะอาดปัญญาที่อาศัยจิตแยตติกที่เกิดขึ้นก็ย่อมหมดจดไปด้วยเช่นเดียวกับแสงตะเกียงที่เกิดจากอ า, อาศัยตะเกียงอาศัยไส้ใส่น้ํามันที่สะอาดสังขารก็ย่อมปรากฏชัดเจนแก่ผู้พิจารณาเห็นสังขารด้วยปัญญาอันหมดจด และกรรมฐานก็เจริญงอกงามไพ่บู์ที่เจริญกรรมฐานอยู่เช่นเดียวกันฉะนั้นในข้อที่บอกว่าชำระวัตถุให้สะอาดอันดับแรกเมื่อวานเนี่ยไม่ได้พูดรายละเอียดไว้จึงเป็นความสาคัญอย่างยิ่งอันนี้เป็นปรับข้างนอกแล้วก็มีผลกระทบต่อข้างในข้างในร่างกายของเราข้างในเสื้อผ้าที่อยัอย มีผลต่อสภาพจิตใจเมื่อสภาพจิตใจสะอาดปัญญาก็พลอยสะอาดไปด้วยฉะนั้นสมถะวิปัสนาสมถะต้องสะอาดหมดจดดีแล้วก็เป็นฐานต่อวิปัสนาญาณที่จะไปพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรื่องวัตถุประการที่สองที่พูดไว้เมื่อวานนี้เรื่องการปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน มาจากคำว่าอินเตียสมัตตาปฏิปทานนั้นตาเป็นตัวการทำอินทรีย์5มีศรัทธาศรัทธากับปัญญาวุรยากับสมาธิให้ได้ดุลยภาพให้สมดุลกันบอกว่าการกระทําให้กลุ่มกุศลธรรมมีอินทรีย์เหล่านี้สมดุลกันเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่การที่จะทําให้การประพฤติปฏิบัติน่ยหรือการปรับกุศลธรรมนั้นน่ย ให้มีดุลยภาพศรัทธาของผู้มีเท่าบอกว่าศรัทธาเนี่ยเป็นต้นให้สม่ําเสมอกับปัญญาถ้าศรัทธาของผู้เพียปรปฏิบัตินั้นแก่กล้าอินทรีย์ตัวอื่นความเชื่อมั่นเนี่ยแก่กล้าดิ่งมากเกินไปในตัววิริยะตัวสติตัวสมาธิโดยเฉพาะตัวปัญญาก็พลอยเสียดุญยภาพไปหมดเลยก็าเรียกว่าไม่ได้ดุล เขาเรียกว่ามันสุดโต่งไปทั้งด้านศรัทธาคือเชื่อเกินไปวิริยะย่อมไม่อาจจะทำหน้าที่ประคองได้สติก็ไม่อาจจะทำหน้าที่เข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ได้คือไม่สามารถจะจับจะตรึงจะดึงอารมณ์นั้นไว้สมาธิก็ไม่อาจจะทำให้ทำหน้าที่ได้ก็เกิดการสั้สายปัญญาก็ไม่อาจทำหน้าที่อย่างเห็นได้ดังนั้นจึงต้องลดศรัทธาดังกล่าวด้วยการอะไร ด้วยการพิจารณาเหตุผลไม่ใช่สุดตรงไปด้านความเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อเชื่ออย่างเงี้ยให้พิจารณาเหตุพิจารณาผลพิจารณาจุดเด่นจุดด้อยพิจารณาสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ใช้ปัญญามาอย่างเห็นมาพิจารณาปุ๊ปปุ๊ป ป, ปก็ลดตัวศรัทธาลงแล้วก็ให้ปัญญากับศรัทธาได้ดุลยภาพกันขึ้นมานี่เขาเรียกวปรับแล้วนี่เขาเรียกวิธีปรับอย่างนี้เป็นต้น นี่ลักษณะอย่างนี้ก็พิจารณาสภาธรรมด้วยการไม่ใส่ใจในกรรมฐานโดยลักษณะที่ทำให้ศรัทธาแก่กล้าขึ้นท่านยกตัวอย่างอะไรดียกตัวอย่างพระวัคะิลีเป็นตัวอย่างนี่จะยกยาวหน่อยก็คือว่าอย่างนี้การพิจารณาสภาว่ธรรมว่าสัตทินซีมีกำลังมากเพราะความเลื่อมใสในคุณธรรมคือความ ยิ่งใหญ่เป็นต้นของบุคคลอันเป็นที่ตั้งที่ควรจะเลื่อมใสที่ดำเนินไปยิ่งนักเนี่ยจึงต้องลดศรัทธาดังกล่าวด้วยการพิจารณาจำแนกเหตุจำแนกผลของบุคคลเหล่านั้นก็คือรูปเป็นเหตุให้เกิดรูปบ้างเช่นอาหารทำให้เกิดรูปในร่างกายรูปเป็นเหตุให้เกิดน้าบ้างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์ของนามคือสติต้องเข้าไปรู้อย่างนี้เป็นต้นจิต ที่ดีหรือไม่ดีทําให้เกิดจิตตชรูปเกิดขึ้นอย่างนี้ในร่างกายยกตัวอย่างนะว่าการพิจารณาเหตุพิจารณาผลคือรูปประธรรมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับทั้งหลายเหล่านี้ดินน้ําไฟลมที่เรียกว่าผมดินน้ำไฟลมที่เรียกว่าขนที่เล็บเนี่ยก็คือดินน้ําไฟลมนั่นแหละที่ประชมอยู่ในก ร, ราชกายเกิดขึ้นแตกดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอาหาร กขาเรียกกาลิงกราหารอาหารเป็นคํำๆเดี่เคี้ยวเข้าไปก็เป็นโอชาเป็นสารอาหารใช่ไหมเวลาเราเคี้ยวอาหารเข้าไปปุ๊บปุ๊เนี่ยที่กระพุ้งแก้มเนี่แหละพอสารอาหารพอกาวลิงกราหารไปแหลกละเอียดซึมซาบเข้าไปในชิวหาปาะสาท ไอตัวโอชาทั้งหลายก็แผ่ซึมซาบไปตามกระพ้งแกมเต็มไปหมดแตกดับสืบต่อทบๆย์ไปเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็ไหลลงไปในหลอดอาหารแตกดับนะที่ไหลลงไปเนะี่ยแตกดบับปุ๊บปุบ๊เป็นไปตามลําดับลงไปจนถึงกระเพาะอาหารพอลงไปถึงกระเพาะอาหารแล้วปาจกาเตโชคือไฟที่เกิดจากก๊าบนั่นแหละก็เข้ามาทําการเผาย่อยตัว กาวลิงกราหารนี่แหละตัวสารตัวตัวตัวตัวท่าดินน้ำไปลมนี่แหละแล้วก็ไปย่อยละเอียดจนกลายเป็นโอชาเนเป็นสารอาหารเป็นตัววิตามินวิตามินเหล่านั้นก็แผ่ไปตามผมคนเลฟันน์แผ่ไปตามเลือดเนื้อทั้งหลายเหล่านี้ไปหล่อเลี้ยงทำให้กระราชกายนั้นเป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าพิจารณารูปเป็นเหตุให้เกิดรูป อย่างนี้เป็นต้นเห็นมไหมรูปธรรมที่เป็นเรียกว่าโอชาคือสารอาหารเป็นตัวไปหล่อเลี้ยงทําให้รูปธรรมคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยกิดดับสืบต่อทําให้รูปธรรมเหล่านั้นเป็นไปได้เป็นไปตามลําดับอย่างนี้เป็นต้นรูปเป็นเหตุให้เกิดนามเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของนามคือสติที่เข้าไปรู้ หมายความว่าเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาเราตั้งสติเกิดขึ้นเออเนี่ยสติเนี่ยก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเป็นอารามณ์ปัจจัยเกิอหนุนทำให้สติกำลังดำเนินเป็นไปอยู่ทำให้สมาธิตั้งมั่นเป็นไปอยู่ที่บอกว่าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกใี่เป็นต้นอันรูปเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดนามคือสติเป็นต้นหรือจิตเจตสิกเป็นต้นอย่างนี้ นามเป็นเหตุให้เกิดรูปเช่นจิตที่ดีหรือไม่ดีทำให้เกิดจิตตะชรูปในกระยาณกายนะเช่นเวลาเกิดความโกรธเช่นในภาวะปัจจุบันเนี่ยโกรธง่ายฝุ่นละอองเยอะโอ้ยเครียดโรคอะไรนะโรคอะไรนะโคโรนาเขาเรียกว่าโรคู่หัน เนี่ยนโอ้โหคนไปที่ไหนกลัวกันใหญ่เลยแต่เนี่ยปิดแมสปิดอะไรต่างโอ้โหเต็มไปหมดเนี่ยกลัวเห็นไหมเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดโทสะหรือเกิดเหตุการณ์สายไม่ดีเกิดขึ้นโกรธนะตนเองหวังอยากจะให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ดังใจอีกวัยหนึ่งก็โกรธเราจะต้องทําลายคนนั้นคนนี้เป็นตน้นโอ๊ยเกิดโกรธกันใหญ่อย่างนี้เป็นตน้น เนี่ยภาวะลักษณะนี้ต้องระวังอันนี้เขาเรียกว่ารูปธรรมนะหรือว่าจิตเนี่ยจิตที่ไม่ดีเนี่ยหรือจิตที่ดีเอาจิตที่ไม่ดีก่อนเวลาโกรธขึ้นมาเกลียดขึ้นมาเครียดขึ้นมาวิตกกังวลขึ้นมาหงอยเหงาเศร้าเสื่อมขึ้นมาปุ๊บจิตเกิดขึ้นจิตไม่ได้เกิดขึ้นธรรมดานะเป็นปัจจัยให้กับจิตตะชรูปจิตตะชรูป จิตแต่เชื้อรูปเกิดดับสืบต่อแพ่ไปในทั่วการชกายทั้งหมดเลยดันั้นเวลาโกรธสังเกตดูนะตาสีหน้าแววตาผิวพรรณทั้งหลายโอ้โหออกมาเป็นอาการอีกอย่างหนึ่งเวลาตั์กำหนัดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคัดเครื่องหดหูท้ทอถอยเนี่ยมีผลหมดเลยแพร่รูปธรรม ท, ที่ไม่ดีปกคลุมการชกายในทางตรงกันข้ามถ้าจิตดีเกิดขึ้นมีเมตตาจิตเกิดขึ้น มีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจขึ้นมาอ๊ยเกิดชื่นบานเกิดชื่นบานขึ้นมาด้วยภิกษุที่มากด้วยปลาโมดเลื่อมใสในภาษาศาสนาเธอพึงบรรลุสันตบทคือพระนิพพานอันสงบประงับสังขารเสร็จได้มาจากปลาโมดชาภาโหโลพิขุ ประสนโนพุทธศาสนอธิคชเญปทางสันตังสังขารูปรสมังสุ ข, ขังเออปราโมดเนี่ยเจตีปราโมดแล้วเลื่อมใสในพระศาสนาเลื่อมใสเชื่อมั่นในศีลในสมาธิในปัญญาเชื่อมั่นในมัชฌิมาปฏิปทาเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ละดอมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเป็นต้นโอ้โหเนี่ยใกล้พระนิพพานจะสามารถสงบระ ง, งับสังขารเสียได้ว่างั้นเถอะนะสามารถจะสงบระ ง, งับสังขารคือขันห้าเป็นต้นลรืกระแสชีวิตเป็นต้นเนี่ยให้สงบระ ง, งับไม่กําเริบขึ้นมาได้ก็คือปรินิพพานได้ย่างนี้เป็นต้นสรุปคือจิตดีและไม่ดี เป็นปัจจัยเกิดรูปธรรมได้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราสร้างอากุศลจิตตชรลปเยอะมากเวลาใดกำหนัดอกุศลจิตตชโลภ ก, ปก็ปกคุมกราชกายทั้งหมดเวลาใดขัดเคืองอกุศลจิตตชรลปก็เกิดจากจิตจิตก็ผักรูปที่ไม่ดีปกคุมกราชกายทั้งวันเวลาใดหดหูท้อถอยอกุศลจิตตชรลปเนี่ยก็เกิด รูปที่เกิดจากจิตก็ปกคุมการาชกายเวลาใดฟุ้งซ่านลำคาญใจจิตเหล่านี้เกิดขึ้นก็ผลักให้อกุศลจิตตะชรูปรูปที่เกิดจากอากุศลจิตปกครองเวลาใดลังเลสงสัยเ <c oughs> นี่ยเป็นไงแต่ถ้ามีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็เป็นกุศลปกคุมการาชกายจากนั้นเราจะเห็นแต่ละบุคคลนะ ลองไปส่องเงาหน้าในกระจกดูก็จะเห็นโอ้ยวันนี้ทําไมหน้าตาเศร้าหมองเหลือเกินบางทีไม่ต้องส่องก็รู้แล้วเศร้าหมองเครียดเนี่ยนะและนามเป็นเหตุให้เกิดนามเช่นฟงสั้นเป็นอารมณ์ของนามคือสติที่ตามรู้เนี่ยผลที่ได้รับก็คือเมื่อเป็นเช่นนั้นความเลื่อมใสที่แผ่สั้นไปมากก็ถูกถือเอาตามสภาวะลักษณะ ก็หมายความว่าเวลาฟุ้งมีสติไปกําหนดเห็นนะว่าไอ้ตัวจิตที่มันฟุ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันดับไปเนี่ยสติก็ไปจับไอ้ความฟุ้งมาพิจารณาว่าเออมันไม่ใช่เรามันเป็นนมามธรรมชนิดหนึ่งนี้เป็นต้นนั้นเนี่ยสรุปดังนี้ก็คือว่าการพิจารณาที่บอกว่าในคัมภีร์ท่านกล่าวว่าการจําแนกอวัยวะต่างๆมีผมขนับฟันหนังเนื้อเป็นต้นเหล่าเนี่ยเป็นเพียงรูปประทับ แล้วก็นามนธรรมคือเป็นกลุ่มขันห้าเป็นต้นน่ะทั้งรูปธรรมและนามนธรรมที่ประกอบไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาจําแนกอย่างนี้ก็จะทําให้บุคคลหรือนั้นน่ะเห็นตามความเป็นทรงผลให้ศรัทธาถ้าพิจารณาอย่างนี้มากมากมขึ้นปุ๊บเนี่ยจะทําให้คุณธรรมคือศรัทธาเนี่ยค่อยๆลดตัวลงแต่ปัญญาค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้ น, นใช่ไหมเช่นเราศรัทธาเอายกภวอยระกีเนี่ย พระวัคคริเนี่ยบำเพ็ญบุญญาธิการโดยความเป็นศัทธาที่มุดแปลผู้น้อมไปในศรัทธาผู้จะหลุดพ้นได้ด้วยศรัทธาขวนขวายเพื่อมองดูรู ป, ปรกายของพระพระมศ า, าสดาอยู่แม้จะได้รับโอวาทแนะนำให้เจริญกรรมฐานโดยพระดำรัสว่ากิงเตวัคคริอิมินาปูติกาเยนะทิเทนโยโควัคคริธรมังปัสสติโซมังปัสสติ แปลว่าวักัลิเอ๋ยเนี่ยการแสดูร่างกายที่เน่าเหม็นเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรแกเธอเราดูก่อนวักัลิผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นเราอย่างนี้เป็นต้นคือพระวักัลิเนี่ยเห็นพระมหาปุริสตาระขนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ชอบใจแล้วติดโลก ป, ประธรรมอยากจะเห็นทั้งวันทั้งคืนเนี่ย งามมากใช่ไหมพระเนตรมีความงดงามมากพระนัขาก็งดงามพระขนงก็งดงามทั้งตาทั้งจมกูกทั้งปากทั้งฟันทั้งอะไรของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีความงามมากเพราะว่กกาลีเห็นติดในรูปประธรรมติดใจเห็นไหมเพราะอย่างนี้แปลว่าอะไรเนี่ยไอตัวความเชื่อเด่นแต่ปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นความไม่งามของรูปนั้น ไม่ทำงานก็เลยน้อมไปในเนี่ยศรัทธาวิ่งเล่นไม่ได้เจริญกรรมฐานก็ถูกพระบรมศ า, ศาสดาขับไล่ไปออกไปมานั่งดูรูปอยู่นี่แหละอย่างนี้เป็นต้นนะพราวักกะลีเป็นไงว่าโดนตำหนิขับไล่ออกไปไปให้พน้นโอ้โหบุคคลที่เราศรัทธามาก พูดดีกันเรามาตลอดมาวันนี้มาขับไล่เราเสแล้วเสียใจใช่ไหมเสียใจอย่างมากเลยเดินไปเหีวกะจะกระโดดหน้าผาแลวในขณะนั้นน่ะพระบรมศาสดาประทรับอยู่ที่วัดเชตวันทีเดียวเปล่งลัษมีของพระองค์ให้เห็นตรัสพระคถาว่าป า, มาโมชะพะหุโลพิคุปสันโนพุทธศาสนี อธิคัตเฉปทางสันตังสังคารูปรสมังสุขังบอกภิกษุที่มากด้วยปราโมดเลื่อมใสในพุทธศาสนาเธอพึงบรรลุนิพพานอันสงบสุขระ ง, งับสังขารเสียได้หลังจากนั้นก็ตรัสบอกว่าวัคลิเธอจงมาเถิดท่านวัคลินี่ปราบลื้มยินดีเหมือนได้รับอภิเศกด้วยน้ำอมฤตเพราะจะเป พระพุทธเจ้าเลียก็เลยเจริญวิปัสสนานะีต่อแต่ท่านไม่อาจจะอย่างสู่วิปัสสนาวิถีได้เพราะศรัทธาที่มีกําลังมากเกินไปพระพุทธเจ้าทราบเรื่องนั้นแล้วก็ปรับอินทรีย์ให้เสริมอการโดยแก้โดยประทานกรรมฐานให้ให้ปรับให้ไปพิจารณาให้แยกแยะนะแยกแยะ มากด้วยปราโมดมากด้วยศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้ดีไมด่ดีแต่จงเอาตัวสัตมาทิหรือศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้เป็นฐานเจริญปัญญายาณให้เกิดขึ้นไปพิจารณาดูรู ป, ปธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังแยกละเอียดลงไปหเห็นเป็นดินน้ำไฟลมเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่เธอเห็นว่างามงามงามเนี่ยแท้ที่จริงมันก็คือดินน้ำไฟลมมันประกอบไปด้วยความไม่งามเลย มีประการละต่างๆพอปัญญาเข้ามาทำกิจเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตัวศรัทธาก็ปรับลดลงปัญญาก็วิ่งโลดแล่นขึ้นมามาเคียงคู่กันก็ได้ดุนยาภาพได้บรรลุเป็นพระหานนิตารลำดับนึงนะบรรลุอริยมรรคอริยผลฉะนั้นจึงกล่าวว่าเรื่องภาวกริเถระเป็นตัวอย่างคือสรุปบอกว่าในที่นั้นเนี่ย การปรับอินทรีย์ในคำพีสังยุตคันธวาลวัคหรือคันธวัคสังยุตวกริสูตรเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าท่านพระวกริป่วยหนักอยู่ที่บ้านนายช่างหม้อพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบข่าวแล้วเสด็จไปแสดงธรรมหลังจากนั้นท่านได้ย้ายไปที่ภูเขาอิสิคริแล้วก็ใช้มีดเนี่ยเชือดคอตนเองแล้วได้แล้วได้ จเจริญวิปัสสนาวาระสุดท้ายแล้วก็จบชีวิตลงก่อนที่จะเสียชีวิตท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์วิธีนี้ห้ามทำสำหรับเรานะเพราะว่าถ้าเอาอะไรไปเชื่อดคอตัวเองเหมือนพอะระวักกริก็ดีพระโคตกาี่มีหลายรูปนี้ท่านเคยลักษณะแบบนี้ ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองมาอย่างแก่กล้าจริงๆในการเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยนะพอไปถึงสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานอย่างเงี้ยเดี๋ยวตายฟรีเลยแทนที่จะเดินวิปัสสนาญาณทันมันไม่ทันใช่ไหมไม่สามารถที่จะทันได้แต่อันนี้ในในมีพระที่เชอดคอตัวเองเนี่ยหลายรูปนะพคะวกริกันหนึ่งเนี่ยในคำพีก็กล่าวไว้อย่างนั้น มีอีกท่านหนึ่งก็ชื่อฉันนะด้วยคือเป็นอย่างนี้ขอเล่าเรื่องนี้เสริมนิดหน่อยมีพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าท่านได้เข้าถึงทั่วเข้าทัวถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฉะนั้นท่านไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะมีชีวิตอยู่เพราะท่านป่วยหนักท่านก็เลยร้องเรียกหาอยากจะได้มีดมาเพื่อจะมาเชือดคอตัวเองเพื่อจะให้ถึงการ วรณาภาพลงท่านคิดว่าท่านตายแล้วก็ไม่เกิดแล้วเพราะท่านท่านตลอดอริยสัจรู้รั่วถึงธรรมของพระบรมศาสดาแล้วแต่ท่านเข้าใจผิดต่อมาก็มีภาษารีบุตรเป็นต้นเหล่านี้ไปเยี่ยมท่านก็บอกแก่พระเทระนี่บอกว่าท่านพระเทระถ้าท่านไม่มีอาหารข้าพเจ้าจะหาอาหารให้ไม่มีจีวรจะหาจีวรให้ไม่มียาจะหายาให้ไม่มีใครดูแลจะดูแลให้ ท่านก็ยืนยันบอกว่าท่านเนี่ยอุปถาว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาขนาดเนี้ยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะไม่มีที่อยู่อาศัยขึ้นโรงมาอาหารเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีคนดูแลแต่ท่านเนี่ยเบื่อหน่ายเหลือเกินในกรรชกายนี้ไม่อยากจะอยู่แล้วท่านรู้ทั่วถึงธรรมของพระบ ร, รมศารรสดาแทงตลอดอริยสัจและเป็นต้นเขาตายดีกว่าว่าถึงตายแล้วก็ปลอดภัยทํานองอย่างนั้นน่ยคือพระสาริบุตรระดับพระสาริบุตรนะ มีปัญญากว้างขวางมากมายลองจากพระเจ้ายกเว้นพระเจ้าเลยในภาษาริบุตรไม่เป็นหนึ่งลองไม่เป็นสองรองใครเนะนี่ยขนาดนั้นนะไปพูดคิดว่าท่านจะพูดขนาดไหนท่านคิดว่าท่านจะแยกแยะขนาดไหนแต่ท่านก็ยังมีทิฏฐิว่ายืนยันอะไรรู้ไหมคนบางคนเดินสมถาวิปัสสนามาทั้งชีวิตหนึ่งสมาธิก็ได้ สองวิปัสสนาญาณได้ระดับสูงสูงหมดเลยจนพิจารณากระแสชีวิตด้วยความเป็นรูปนามขันห้าชัดหมดแล้วแค่นั้นไม่มีอะไรที่จะต้องมากังขาใดๆเลยจนกิเลสไม่เคยฟลูขึ้นเลยเนี่ยสิบปียี่สิบ ป, ปีเนี่ยไม่มั่นใจได้ยังไงเพราะว่ากำลังของสมาธิก็ข่มกิเลส ไ, ได้หมดกำลังของวิปัสสนาญาณก็รู้เท่าทันกิเลส สามารถละเป็นตะทงังฆาปหารได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องจนกลายเป็นชำนิชํานาววิปัสนาญาณก็สูงปีตสำคัญผิดแต่ท่านป่วยใช่ไหมเวลาป่วยเนี่ยก็รู้สึกเบื่อหนายอยู่แล้วกับกายเนี่ยฉะนั้นตายตายได้ก็เห็นเป็นไรคนอย่างเราตายแล้วก็ปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นนี่วิธีคิดของท่านเป็นแบบนั้นภาษาลิบุตรบอกไงท่านก็ยังยืนยันเพราะจะกลับพระนนที่ มากับท่านภาษาทีบุตรก็ซิ บ, บอกก็ซิ บ, บอกพูดอย่างธรรมดาอย่างเราเคือบอกว่าตามธรรมดาเนี่ยพระอรหันเนี่ยตายแล้วเนี่ยไม่มีนิมิตนะจะไม่มีนิมิตปรากฏคือสุขตินิมิตนิมิตที่จะไปสุขติภูมิก็ไม่มีทุกตินิมิตนิมิตที่ไปทุกติภูมิเครื่องกําหนดหมายนิมิตที่กําหนดหมายเวลาใกล้ตายไม่เหมือนปุถุชนอย่างเรานะอย่างเราทั้งหลายเวลาจะตายปุ๊บจะมีนิมิตวิ่งมาปุ๊บให้เรายึด หรือเกาะติดในขนาดนั้นจิตเกาะเกี่ยวในขนาดนั้นรับเป้านิมิ t เหล่านั้นถ้าเป็นนิมิตที่ไม่ดีเช่นเช่ น, เ, ชนเวลาใกล้าตายไก KFC มาปรากฏ <c oughs> น่องไก่ปรากฏอย่างเงี้ถามว่าควรจะไปเกิดเป็นอะไรอ <c oughs> หอเรียบร้อยเนี่ยนีย <c oughs> ไม่ใช่พูดเรื่องนี้แล้ว เพราะคนเจ้าหิวเรื่องนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้นอ่ะคืออย่างนี้ถ้ามันปรากฏนะจริงๆอ้าวถ้าปรากฏอย่างนี้สมมตินะถ้าปรากฏแล้วอยากจะกินไก่แล้วเห็นน่องไก่มาปรากฏอย่างนี้นควรจะเกิดเป็นอะไรแต่ไม่แน่นะบางคนมันฉลาดใช่ไหมล่ะเขาเคยถวาย KFC หรือคอฟเม่ดเามาโฆษณาของเขาไม่ใช่เนะี่ยกยกตัวอย่าง มาเนี่ยเอาอันเนี้ยถวายแก่สงถวายแด่พระ่าเนี้ยมันคนละเรื่องน้นนั่นศรัทธาเขาเกิดแต่ใครมันจะเกิดใช่ไหมโดยส่วนใหญ่มีดมาปรากฏบ้างขวานมาปรากฏบ้างเอางี้ดีกว่าว่าพอใกล้ตายบ้านที่เราอยู่อาศัยเป็นนิมิตมาปรากฏเราควรจะไปเกิดเป็นอะไรหรือว่าบางทีทะเลมาปรากฏเป็นนิมิตป่าไม้มาปรากฏเป็นนิมิตอย่างเงี้ยใช่ไหม ลักษณะเนี้ยสิงสาราสัตว์มาปรากฏเป็นนิมิตนี่โอกาสไปไม่ดีสูงยกเว้นแต่ว่าคนที่เคยยกผืนป่าถวายเป็นพุทธบูชาโอ้ยพอตรงเนี้ยนะคนเคยยกบ้านถวายเป็นพุทธบูชาสมมติสมมุติสมมติก็เป็นสุคตินิมิตอันนี้ก็แล้วแต่ว่านิมิตจะคือท่านพระพระอานุ์ก็บอกว่าให้สังเกตนะพระทหารทั้งหลายนิมิตเหล่านี้ไม่มีพระท่านจะนิพพานท่านก็เลยไปเลย ท่านก็บอกว่ารู้อยู่แล้วศึกษามาดีเรียนมาดีมันันสการใส่ใจมาดีท่านคิดในใจของท่านนะีคนอย่างท่านเนะี่ยตายไปก็ไม่มีนิมิตจบภพบชาติปรินิพานแน่นอนท่านก็เลยพอได้ตัวมีดมาเนี่ยมิดโกนเข้ามาไปเสร็จท่านก็ได้จังหวะก็เชือดคอตัวเองคอบิดเลยนะปึ๊ดแค่นั้นแหละทุกเวทนาวุบเกิดอะไรมาหรือไม นิมิตพวดมาเกิดทันทีเลยตกใจทันทีว่าโอ้เรายังเป็นผูุู้ชนท่านอาศัยจังหวะนั้นเนี่ยจังหวะของความเร็วความรวดเร็วนั้ น, นตั้งสติทันทนะําทำสมาธิข่มทุกขเวทนาได้สมาธิปุ๊บเนี่ยจิตเป็นสมาธิเป็นกุศลและจิตเนี่ยทุกขเวทนาทางกายข่มได้ทันทีนะใจเป็นกุศลแล้ว พิจารณาศีลพิจารณาธรรมไล่ตามลำดับติตดเมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นแยกแยะรูปนามขันหาอย่างลงสู่ไตรลักษ์หลายร้อยหลายพันรอบวิ่งแร่นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นแทงตลอดอริยสัตว์บรรลุอริยมรรคอริยผลสี่รอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊สี่รอบเนี่ยเนบรลุเป็นพระอรหันต์และพิจารณา ปรินิพานพร้อมกันกับการตายเนี่ยการขาดลงของรูปประชีวิตและนามระชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตตะสมาสีสีบุคคลท่านปรินิพานแล้วนี่จึงบอกวิธีนี้ไม่แนะนำอย่างเราเราทั้งหลายยังอ่อนแอรืร้เกินทั้งสมาธิทั้งปัญญานี้เป็นต้นตรงนี้เชื่อเห็นว่าทีนี้เรื่องการปรับถ้าวริอันนี้หมายถึงศรัทธากับปัญญานะ ท่านก็เลยะยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบถ้าวิริยะแก่กล้าศรัทธาย่อมไม่อาจทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์ได้เชื่อมันนะ่นหนึ่งอินทรีย์อื่นๆมีสติมีสมาธิและปัญญาเป็นต้นก็ลดวิริย ะ, ะถ้าวิริยะแก่กล้าเกินไปอินทรีย์ตัวอื่นก็เสียดุลยภาพหมดนะ ทีนี้พอมันควา ม, มฟุ้งซ่านเกิดเพี้ยนมากเกินไปพวบเนี่ยต้องลดตั ว, วิยะด้วยการเจริญอะไรก็เจริญปัตสัตติสัมโพชงเจริญสมาธิสัมโพชงเจริญอุเบขาสัมโพชงนั่นแหละเนี่ยเจริญปรับลงมาทีนี้ตรงนี้วิริทีแสดงเอายกใครเป็นตัวอย่าง ท่านพระโสนะเทระโสนะเนี่ยท่านพระโสนะเนี่ยท่านเรียนกรรมฐานในสำนักของพระบรมศาสดาไปอยู่ที่ป่าไม้สีเสียดท่านก็ดหริว่าร่างกายของเราละเอียดอ่อนแต่บุคคลไม่อาจบรรลุนิพพานสกุลได้ด้วยความสะดวกสบายเลยเราควรบำเพ็ญสมณธรรมแม้จะทรมานร่างกายให้ลำบากก็ไม่เป็นไรอธิษฐานียาบทยืนและยาบทเดินเพียงสองอย่าง ท่านก็ประกอบความเพียรอยู่แม้ตุ่มแผลจะเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้าก็ไม่ใส่ใจต่อเวทนาต่อทุกเวทนาเพียรมุ่งมั่นในการเดินเดินเดินท่านบอกก็เดินจนเลือดไหลเป็นเหมือนลานเชือดโคเลยวะ่ะลานฆ่าโคเลือดเต็มไปหมดเลยบูชาคุณของพระเจ้าเดิน เดินบูชายืนเดินยืนเดินทำนี่ไม่ยอมไม่ยอมใช้ยาบทอื่นนะท่านไม่อาจจะบรรลุคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้เพราะปารบความเพียนแรงกล้าเกินไปลุยขนาดนั้นนะ่ะท่านขนาดเป็นเกิดในตระกูลผู้ดีนะเท้าไม่เคยไม่เคยถอดรองเท้านะนี่มาถอดรองเท้าเดินเหยียบหินนะเดินเหยียบหินเลือดไหลเป็นล้านเชือดโคเลย เพียนมาก ท, ท่านทั้งหลายเคยเคยเพียนขนาดนี้ไหมครับในชีวิตเคยไหมท่านท่านท่านวันในที่ฟังอยู่เนี่ย <c oughs> เคยเพียนขนาดนี้ไหมเดินรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เดินจนเท้าแตกเลือดไหลอาบเต็มไปหมดเคยไหมไม่เคยใช่ไหมนี่พระบรมศ า, าศาสดาเห็น เออนี่ยนะในสมัยที่พระบรมศาสดายังทรงพระชนอยู่เนี่ยเวลาสาวกของพระองค์กระทาอะไรทั้งหลายพระองค์ตรวจสอบจะประพฤติปฏิบัติกันเป็นหมื่นหมื่นรูปพระองค์ก็ตรวจสอบทุกองค์นั่งอยู่นะที่ไหนก็จะคอยไปให้กรรมฐานตลอดเลยนะเนี่ยนี่คือความมหัศจรรย์พระปี่ชายานพระปัญญายาณพระอิทธิริญานของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรวจสอบตลอดเวลาแม้ในปัจจุบัน พระบรมศา ส, สดาเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วทำและ ว, วินัยที่พระตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและ ว, วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราฉะนั้นบุคคลที่จำพระธรรมคําสอนได้ดีพระธรรมคือพระบรมศา ส, สดาก็คอยตรวจสอบการประพฤติปฏิบัติของเธอทั้งหลายของเราทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่เราเนี่ยไม่ยอมอัญเชิญหรือราตนาให้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาตรวจสอบเรานี่ใช่ไหม กลจะมาตรวจสอบเราบางเวลานี้ใช่ไหมล่ะเนี่อยอยางนั้นพระธรรมที่ปรากฏอยู่ในความรู้ความเข้าใจของท่านทั้งหลายนั่นแหละนั่นแหละพระบรมศาสด า, า, ากําลังตรวจสอบการประพฤติปฏิบัติการขัดเกาวาการเพียรพยายามของเธอทั้งหลายอยู่นี่เหมือนกันนะพระบรมศาสด า, าไปสู่สถานที่ที่สั่งสอนด้วยโอวาทเปรียบเส ม, มือนด้วยสายพินก็คือสายพินที่ตึงหรือหย่อนเกินไปก็ทําให้เกิดเสียงไม่ไพเราะ แต่สายพินที่พอดีจึงจะทําให้เกิดเสียงไพเราะแสดงวิธีปรับวิริยะให้เสมอกระสมาธิแล้วก็สอบสวนแก้ไขกรรมฐานแล้วก็เสด็จกลับยังภูเขาคิชกูฏ ต, ตอนนั้นพระเจ้าประทับอยู่ที่กิชกูฏใครเคยขึ้นเขาคิชกูฏที่ควานที่มคธฝ่ายพระเถระปรับอินทรีย์ให้เสมอ วิริยะกับสมาธิให้ได้ดุญยภาพตามที่พระบรมศา ส, สดาประทานแล้วเมื่อได้ดุญยภาพแล้วกำลังของสมาธิดีแล้วศรัทธาปัญญาได้ดุญยภาพวิริยะกับสมาธิได้ดุญยภาพตัวสตินะเป็นตัวเกลียได้ดีแล้วจิตเป็นสมาธิคมนิวรธรรมได้ กามฉันท่พยาบาทีนะมิท่าอุทธิจากกุกุจักวิจิกิจฉานี่คมหมดแล้วจิตใสจิตสะอาดจิตตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวก็ใช้ฐานของจิตนั่นแหละเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาสติก็ดึงปัญญามาสอบสวนมาตรวจตามาวิจัยแยกแยะทั้งรูปธรรมและนามธรรมาเห็นโดยความเป็นรูปเป็นนามเป็นขันห้าเพิกคำวสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนเกลี้ยงกลายเป็นทิฏฐิวิสุทธิ พิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยมีอวิชาตัญหาประทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างไรเห็นเหตุเห็นผลจนชำนิชำนานเบ็ดเสร็จแล้วก็หนักเข้าก็พิจารณาทั้งเหตุและผลยกขึ้นสุดไตรลักษณ์อวิชาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปที่เป็นผลของอวิชาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไล่ไปตามลดับติดๆไปตามลาดับ วิปัสนาญาณนามรูปปริจตัวสัมมา ส, สนญาณอุทยาพยาญาณไล่ไปตามลําดับเป็นไปตามลําดับของวิปัสนาญาณจนสามารถทลายกิเลสทําลายกิเลสเป็นสมุทเธได้ปังงานบรรลุบรรลุเป็นพระอารหันต์เลยเนี่ยเนี่ยจะไดํารลงอยู่ในอาราถผลเป็นต้นนี่ลักษณะอย่างนี้เรื่องก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วคือพระโส น, นะท่าน เพียนเกินไปจนอยากศึกแต่พระศาสดารมศาสาดาก็ไปแก้ไขกล่าวดยเ้วย จ, จงในบรรดาอินสี่ห้าอาจารย์ทั้งหลายท่านสรรเสริญความเสมอกันระหว่างศรัท ธ, ธากับปัญญาและสมาธิกับวิริยะผู้ที่มีศรัท ธ, ธามากแต่มีปัญญาน้อยย่อมเป็นคนเลื่อมใสอย่างงมงายมากเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใสผู้ที่มีปัญญามากแต่มีศรัท ธ, ธาน้อยย่อมถึงฝ่ายหลอกลวงนะ แก้ไขยากเหมือนโรคที่เกิดจากยายากที่จะรักษาหายได้ครับโรคดื้อยาเขาจะไหมเวลาปัญญาเยอะแต่ศรัทธามันลดมันจะขี้โกงมันจะจับจดมันจะวิภาควิจารณ์มันจะวิจัยมันจะแยกแยะมันจะลังเลตลอดเวลาเลยไม่ลงมือทําแล้วพวกนี้มันจะวิจัยวิจัยวิจัยรู้แล้วรู้แล้วก็ไม่ยอมขวนขวาย เพราะความเชื่อที่จะเชื่อมั่นในศีลเชื่อมั่นในสมาธิเชื่อมั่นในปัญญาจะลดลงเพราะปัญญามันเยอะเกินหรือปัญญามันมันไปไปไ ป, ไปมากเกินไปแต่ถ้าศรัทธาและปัญญาเสมอกันก็จะเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใสได้ดงั้นผู้ที่มีศรัทธามากแต่ปัญญาน้อยศรัทธาในที่นี้ไม่ใช่ศรัทธาเจดสิกนะ ภาษาพระเขาเรียกว่าศัท ธ, ธาปฏิรูปโดยสภาวะของตัวนี้เ็าเรียกมิจฉาทิโมกคืออธิโมกที่ประกอบไปได้วยมิจฉาทิฏฐิมันตัดสินผิดมันเชื่อผิดอธิโมกเนี่ยมันเป็นตัวนามธรรมาตัวหนึ่งเขาเรียกเจตสิกธรรมตัวนี้ถ้าไปประกอบกับมิจฉาทิฏฐิในโลภะจิต มันคล้ายศรัทธามากเลยตัดสินใจเชื่อมากอธิโมกข์พอไปตัดสินใจเชื่อในสิ่งที่ผิดผิดเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบไม่ได้เหตุไม่ได้ผลเพราะปัญญาไม่มาดุนไว้ก็กลายเป็นกลายเป็นปัญญามากเออไม่ใช่กลายเป็นศรัทธาศรัทธาแบบหลงงมงายส่วนปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาเจตสิกนะแต่เป็นปัญญาปฏิรูปเหมือนกัน ปัญญาปฏิรูปคืออะไรรู้ไหมหพูด น, น, น้าดีนะน่าเหมือนดีไนดะ้ความปัญญาปัญญาปฏิรูปคือองค์ธรรมสภาวธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกไอตัวทิฏฐิเนี่ยมันตัวความเห็นไอความเห็นมันคล้ายปัญญาแป๊บลักษณะของทิฏฐิเนี่ยฉะนั้นทิฏฐิที่ขยายไปเป็นหกสิบสองบรรดาเจ้าลทัทธิยึดถือทัศนกติความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ ฉะนั้นไอบรรดาทิฏฐิบรรดาความเชื่อบรรดาทัศนาบรรดาความเห็นวิพากวิจารทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นปัญญาที่ไปเห็นสภาวธรรมตามความจริงติดความเห็นติดทัศนคติอย่างเช่นเช่นถ้าเห็นอย่างพื้นฐานก็ไปเห็นรูปว่าเป็นเราเห็นเราว่าเป็นรูปเงี้ยเห็นรูปอยู่ในเราเห็นเราอยู่ในรูปเนี่ยไปเห็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยกเป็นเรามันเห็นอย่างเงี้ย ที่จริงเวทนาเนี่ยความรู้สึกสุขก็ดีทุ ก, ก็ดีเฉยเยก็ดีมันไม่ใช่เรามันเป็นเวทนาเป็นสวาวธรรมเกิดจากเหตุปัจจัยเกิดดับแต่ทิศทีไปล็อกปุ๊บว่าเนี่ยเราสุขทุกเฉยเฉยนี่เราเราคือสุขทุกเฉยเฉยเราเป็นสุขทุกเฉยเฉยไอสุขทุกหรือเฉยเยก็คืออยู่ในเราเราก็อยู่ในสุขทุกเฉยเฉยนั้นโอ้โหมันฝังแนบแน่นเลยนี้ มันกลายไปไปยึดตัวเวทนาเป็นเราเนี่ยเอทิถิตัวเนี้ยมันคล้ายปัญญาให้ไปบอกแทบตายว่าสุขทุกข์เฉยเฉยไม่ใช่เราเขาก็ยืนยันเถียงคอเป็นเอ็นก็เราสุขเราทุกข์เราเฉยเฉยเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราลิ้มรสเราสัมผัสเราถูกต้องเราคิดนึกโอ้โหมันเป็นเราเข้าไปหมดเลยเนี่ย มันไปฝังเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นแก่นเป็นแกนลงไปลักษณะเนี้ยพอมมีทิฐิตัวพื้นฐานนี่ทิฐิอื่นตามมาเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าขาดศูนย์เห็นว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยใดใโอ้โหไปเห็นเยอะแยะหมดหลายไปหกสิบสองเจ็ดสิบสองอีกเยอะในกัมปีแต่ดึงพรหมชารสูตรมาสาทยายโอ้โหตกตะลึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองที่เราเห็นเห็นกันมันนึกว่าปัญญาที่ไหนได้ทิฏฐิเป็นทิฐิ นี่แหละเ็าเรียกว่าปัญญาปฏิรูปเนอะบุคคลใดถึงพร้อมด้วยศรัทธาที่มีกำลังแต่ไม่มีปัญญาหมดจดเขาก็จะมักจะเป็นคนที่เลื่อมใสยอย่างงมงายไม่ใช่คนเลื่อมใสมั่นคงนังจะเห็นได้ว่าเขามักจะเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ควรเลื่อมใสเหมือนถ้าสมัยพุทธกาลก็สาวกของเดรธีเดรธี นั้นผู้ที่คิดเลยไปด้วยปัญญาที่เลื่อมใสที่เสื่อมศรัทธาย่อมดำริว่าบุญหรือทานคนที่มีปัญญาคิดคิดไปเยอะ ๆ, ๆบุญหรือทานมีได้โดยการคิดจะทําบุญโดยปราศจากการบริจาควัตถุที่ควรให้เขาถูกหลอกลวงได้เหตุถึงการประดุจจึงถูกความดำริที่แห้งแล้งป้นป้นจิตที่งามไปกู ค, ความดำริผิดเนี่ยนะป้นจิตที่งามย่อมไม่เชื่อฟังคําของผู้รู้ ถึงจะอธิบายก็จะไม่เข้าใจเนี่ยเป็นไปในลักษณะนี้แก้ไขยากเหมือนโรคที่เกิดจากยายากที่จะรักษาหายได้เพราะโรคมันเกิดจากยาที่เรากินเข้าไปอย่างคนที่มีความเห็นในยุคปัจจุบันขอภัยนะอาจจะอดีตด้วยปัจจุบันด้วยเห็นว่าตายแล้วขาดศูนย์นี่ไปแก้ยังไงเพราะเขาเรียนวิทยาศาสตร์มาจะไปแก้ยังไงวิจรารณแยกแยะเหมือน เหมือนท่านหนทำไมได้มารศึกษาวัตศาสตร์นะเบื่อๆก็ขาดศูนย์ใช่ั้ยไปพิจารณาไปพิจารณามาเออจริงเว้เยมันมันเซลเซลในร่างกายเลเซในร่างกายเซลในร่างกายเนาายี่ยมันแตกดับหมดเลยเจาไปทาที่ไหนมันไม่เห็นมีอะไรสืบต่อแตกดับหมดเลยดินก็ไปเป็นดินน้ำเป็นน้ำไฟเป็นไฟลมเป็นลมว่าะงั้นเอ ไม่มีไม่มีการเกิดการตายอะไรหรอกพิสูจน์ยังไงก็ไม่เห็นเห็น <ๆ S 1> มีอะไรมีป่าชาเป็นที่สุดว่าไงเด้เอาไว้หลอกคนโง่ว่า้นไอการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเอาไว้หลอกคนโง่นี่เป็นขนาดนั้นนะเ น, นี่ยมันแก้ไขยากไหมไอทัศน์ที่วิปริตในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> ฉะนั้นลักษณะศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิเนี่ยต้องให้ได้ดุนยภาพกัน ความเพียรที่ปารบยิ่งเกินไปก็เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่หย่อนเกินไปก็เป็นไปเพื่อความเกียดค้านตรงนี้แหละที่พระพุทธาบอกเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีปรับอินทรีย์ให้เสมอกันเมื่อมีความเสมอกันจึงถือเอานิมิตคือสมถวิปัสนามรรคและผลเป็นต้นได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตอนการปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ยก็จึงเป็น ปัจจัยที่สาคัญมากทีนี้ลักษณะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการปรับเพราะจะเข้าใจแล้นันี่ศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิค อ, อสมาธิกับวิริยะเนี่ยส่วนผู้ที่มีสมาธิมากแต่วิริยาน้อยอะไรตามมาความเกลียดค้านก็ครอบงำเพราะสมาธิอยู่ในฝาก ฝ, ากฝาก่ายความเกลียดค้านผู้ที่เพียนมาก แต่มีสมาธิน้อยฟุ้งซ่านก็จะครอบงําเพราะวิริยะอยู่ในฝ่ายความฟุ้งซ่านแต่สมาธิที่ประกอบกันเข้ากับวิริยะแล้วย่อมตกไปในความเกียรติค้านไม่ได้วิริยะที่ประกอบเข้ากับสมาธิแล้วก็ตกไปในฝ่ายฟุ้งซ่านก็ไม่ได้เขาเรียกมันดุลกันอยู่มันคอยดุลได้ดุลยภาพจึงต้องปรับวิริยะกับสมาธิทั้งสองให้เสมอกันผลที่ได้รับก็คือเมื่อทั้งสองเสมอกันจิตจะเข้าถึงอัปนาได้ไม่ยา เข้าถึงความตั้งมั่นได้ไม่ยากท่านทั้งหลายที่มันเดี๋ยวก็ฟุ้ง <c oughs> เดี๋ยวก็เกียดติค้านเนี่ยพึงรู้เถอะมันสุดตรงไม่ได้ดุนยภาพไม่ได้สมดุลไม่ได้สมตาต <c oughs> า, <c oughs> าถามอะไรว่ามาอ๋อ <c oughs> พระอรหันต์ <c oughs> <c oughs> ออนทั้งหลายท่านยังจะต้องมาปรับ ปัญญาอินทรีย์เหล่านี้ไหมคืออย่างนี้ถ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้ฌานสมาบัติเนี่ยถ้าท่านปรารถนาอยากจะเข้านิโรธสมาบัติท่านจะต้องปรับตัวสมาธิกับปัญญาให้ได้ดุลยภาพเวลาเข้าฌานเป็นไปตามลําดับก็ต้องมีการปรับในระดับอย่างนั้นถ้าสมาธิท่านแรงเกินไปท่านก็จะเข้านิโรธาสมาบัติไม่ได้ก็เป็นฌานเป็น เป็นเป็นอปนาเป็นฌานไปถ้าปัญญาแรงเกินไปมันจะเข้าพระสมาบัติฉะนั้นจะต้องเอาปัญญากับตัวสมาธิให้ได้ดุลยภาพเป็นฐานวิ่งไปตามลําดับเพื่อจะทายังจิตเยสิกจิตเยชลปให้ดับที่เข้านิโรธาสมาบัติเป็นต้นอันนั้นของพระทหารนะไม่เรียกว่าปรับอินทรีย์ของเราคนละประเด็นกันเนะ <c oughs> เาะอ้าวกลับมาสู่ที่เดิมเมื่อกี้พระท่านถามมาเนาะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่ง ผู้ที่เจริญสมาถะากรรมฐานวงเล็บไว้ด้วยนะเจริญสมาธิเนี่ยควรมีศรัทธาแรงกล้าไม่เป็นไรเมื่อกี้พูดเรื่องวิปัสสนาญาณ น, นะเมื่อศรัทธาแรงกล้าอย่างนี้แล้วก็เชื่อมั่นอยู่ว่วิธีที่พระเจ้าทรงสแสดงจากสําเร็จได้แน่นอนได้เชื่ออย่างเงี้ยสมาธิมาเร็วมั่งฉะนั้นต้องการพูดว่าช่วงนี้ยังไม่ต้องปรับศรัทธา เพราะเดี๋ยวเวลาพูดปรับไปปรับมาเดี๋ยวโอ้เราศรัทธามากเกินไปที่นั่งนั่งฟังกันวันนี้เท่าที่เห็นยังไม่เคยมีเห็นใครศรัทธามากเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นโอ้โหกลัวศรัทธาจะมากนะยอมที่นั่งนั่งฟังกันโยพระที่นั่งฟังกันก็เท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นเท่าที่ได้สัมผัสมายังไม่เคยเจอใครศรัทธามากจริงๆเลยมีบ้างมีบ้างไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าโอ้โหศรัทธาแบบแรงกล้า จนถึงขนาดเชื่อมั่นว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าบอกมาเนี่ยจกสำเร็จแน่นอนแล้วก็มุ่งมั่นอยู่จะให้จิตย่างลงสู่อารมณ์และเราจะต้องบรรลุอัปปนาชานให้ได้เชื่อมั่นขนาด น, นี้อุทิศกายอุทิศใจเลยอย่างที่บอกว่าไงหนึ่งมีใจรัก รักแท้เกิดขึ้นศีลดีจริงๆสมาธิดีจริงๆสมาธิทุกระดับเลยศีลทุกระดับดีจริงๆสมาธิทุกระดับดีจริงๆปัญญาดีจริงๆศีลสมาธิปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บ, บอกไว้วิธีการเหล่านี้ดีจริงเรารักแท้ในศีลสมาธิปัญญารักแท้ขึ้นมาชัดพอเกิดรักแท้ตัวเดียวแค่นี้โอ้โหแค่นี้รสแรงเลยแล้วถ้าความก ล, กล้ามาอีกนี่ชุดไม่อยู่เลยเนะ้น เจอปัญหาอุปสรรคในการเจริญสีนสมาธิปัญญาไม่ท้อเลยยิ่งมีพลังแล้วยิ่งอุทิศกายอุทิศใจก็อีกบอกบอกอเหมือนอย่างกู้กับระเบิดที่พวกใช่ไหมคนกู้กับระเบิดลองคิดดูดิจิตจะจดจ่อขนาดไหนแล้วปัญญามาตรวจตราสอบสวนก็อีกมีใจรักภาคเพียรทม จดจอปัญญาสอบสวนโอ้โหชัดเลยเนี่ยถ้าได้เงี้ยนะโอ้โหนี่ชัดแล้วถ้าได้อย่างเงี้ยนะชัดเพ า, าเห็นไหมทีนี้แค่นั้นสรุปก็คือว่าตอนนี้ที่จะทำสมาธิเนี่ยศรามากไม่เสียหายในสมาธิกับปัญญาผู้ที่เจริญสมถะกรรมาฐานควรมีสมาธิแก่กล้า เมื่อสมาธิแก่กล้าผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวี g ยก็จะบรรลุจิตที่เป็นอัปนาได้ส่วนผู้ที่เจริญวิปัสนาปัญญาควรมีปัญญาแก่กล้าเพราะมีปัญญาแก่กล้าอย่างนี้แล้วจะแทงตลอดไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกครั้งหน้าตาเมื่อทั้งสองอย่างเสมอกันอัปนาก็เกิดอย่างนี้เป็นตน้นใช่ไหมฉะนั้นวิปัสนาปัญญาทั้งหลายก็ต้องแยกทีนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสติเคยได้ยินคําว่าสติจะปัญหาสัพพติกาวุตตาภะคะวตาเป็นต้นสตินะ่ะจำปาถนาในกรรมฐานทั้งหมดหรือจําปราถนาในกิจทั้งปวงก็คือว่าสติควรมีกําลังมากในอินทรีย์ทั้งหมดสทาวิริยะสติสมาธิปัญญาในตัวสตินินรีหรือตัวสติเนี่ยควน ให้มีกําลังมากในอินทรีย์ทั้งหมดเพราะรักษาจิตให้พ้นจากการตกไปในความฟุ้งซ่านด้วยอำนาจศรัทธาตกไปด้วยอำนาจของศรัทธาวิริยะและปัญญาอันมีในฝ่ายฟุ้งซ่านและจะรักษาจิตให้พ้นจากการตกไปในความเกียจค้านด้วยสมาธิในฝ่ายความเกียจค้านดังนั้นสติจิงจำปรารถนาในอินทรีย์ทั้งหมด เหมือนการใส่เกลือ ى. เหมือนเกลือเนี่ยจำปรารถนาในกับข้าวทุกชนิดและเหมือนอัมมาตผู้ชำนาญในกิจทั้งปวงจำปรารถนาในราชกิจทุกอย่างตรงนี้พระเจ้าตรัสบอกว่าสติประกอบในอินทรีย์ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะจิตจิตในที่นั้นเพราะกุศละจิตมีสติเป็นที่อาศัยเข้าใจไหม พราะกุศลจิตเนี่ยมีสติเป็นที่อาศัยเมื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อที่จะบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุและสติมีการคุ้มครองคุ้มครองอะไรคุ้มครองกุศลจิตคุ้มครองกุศลจิตไม่ให้กิเลสเข้ามาจมตีนะเป็นอาการปรากฏดัง <c oughs> <c oughs> นั้นอีกทั้งมีการประคองหรือข่มจิตไว้ ย่อมถามว่าการที่จะประคองการที่จะข่มจิตการที่จะปรับทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจิตปราศจากสติแล้วไม่ได้เลยต้องใช้สตินี่ เ, เป็นตัวคอยปรับอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสติจริงต้องจำปราถนาในกรรมฐานทุกชนิดหรือในกิจทั้งปวงเลยเสมไม่ใช่แค่สติจปาปราถนาในกิจทั้งปวงกิจทุกอย่างถ้าขาดสติซะแล้วเสียหายหมดเลยก็จยังฉะนั้น นั้นมองอย่างนี้จะได้เห็นว่าเกลือย่อมแทรกอยู่แม้ในกับข้าวทั้งหมดชั้นใดอาหมาที่ชำงานงานทั้งหมดก็ย่อมทำหน้าที่ทั้งหมดคือการรบบ้างการปรึกษาบ้างการสนับสนุนบ้างให้สำเร็จได้แม้ชั้นใดกิดทั้งหมดนี้การข่มจิตที่ฟุง้งซ่านการยกจิตที่โหดหูก็สำเร็จได้ด้วยเลยด้วยสติไม่อาจจะทาให้สาเร็จได้ด้วยการปราศจากสติฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสตินี่แหละที่ใช้คําว่าสับพัทธะก็แปลว่าในกรรมฐานทั้งหมดในคำพิวิสุธิมักจะกล่าวไว้อย่างนั้นด้วยนะประกอบในอินทรีย์ทั้งหมดพึงปรารถนาโดยการถืออโพชฌงที่มีการฝ่ายเกียดติค้าหรือพุทธสาลเป็นต้นท่ามองว่าเวลาเราจะปรับอินทรีย์หรือปรับอะไรทั้งหลายสติมีหน้าที่ปรับการจะยกจิตข่มจิตหรือจะทําจิตให้เดินตรงทั้งหลายสติจึงสําคัญมากเริ่มเห็นความสําคัญของสติหรือยัง นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่คือการปรับ MC ในข้อที่สองได้สองข้อเองถ้านี้ไม่ถ้าขยายเป็นแบบเนี้ยข้อที่สามก็เรียกฉลาดในนิมิตเวลาจะได้เวลาเท่าไหร่เราไม่รู้ท่านทั้งหลายเริ่มง่วงกันหรือยังฮะอ้าวเดี๋ยวเอาอีกหน่อยได้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะอ้าวเอาอีกหน่อยถ้าท่านทั้งหลายเบื่อกันเมื่อไหร่ก็บอกความฉล า, าดในการทํานิมิต อารมณ์ของสมาธิมีปฐวีกสินเป็นต้นที่ยังไม่ได้ทาแล้วก็ความฉลาดในการเจริญนิมิตที่ทำแล้วแล้วก็ความฉลาดในการรักษานิมิตที่ได้มาแล้วดึกภาวนาในเรื่องเนี้ยถามว่าคำประสงเอาในเรื่องความฉลาดในการรักษานิมิตเนี่ยความฉลาดในการกระทานิมิตและก็การเจริญนิมิตเนี่ยทีนี้เวลา ในกรณีอย่างนี้ความฉลาดตรงนี้ได้ไ ด, ได้กล่าวไปแล้วเนาะไอ้ความฉลาดเนี่ยความฉลาดมีความฉลาดในการรักษานิมิตกรรมาฐานและทำให้สมาธิเจริญขึ้นตรงนี้ก็เป็นต้องเป็นผู้ที่มีที่จริงในเรื่องนี้ได้กล่าวไปแล้วกล่าวมาแล้วนะี่ยข้ามเลยแล้วก็ประคองจิตในเวลาที่ควรประคองจริงก็พูดนะเรื่องนั้นเะรื่องนเนี่ ประครองจิตในเวลาที่ควรประครองคือในเวลาที่เธอจิตหดหู่เพราะความเพียรมันหย่อนเกินไปจึงควรเจริญอะไรเดียเวลานั้นไปเจริญอะไรถึง เ, เ, เพราะถ้าจิตมันตอนนั้นหดโหนเนี่ยแปลว่าตอนนั้นไปเจริญปัตสัตทิไปเจริญสมาธิไปเจริญอะไรอุเบกขาใช่ไห ม, ต, ไรมตรงนั้นต้องไปเจริญธรรมวิจรยิยสัมโพชงวิริยะ สำโพชงและปีติพระเจ้าพิกสูทั้งหลายอุปมาเหมือนบุรุษต้องการที่จะให้ไฟน้อยนิดมันลุกโผงไฟมันเล็กนิดเดียวมันโผงขึ้นลุกขึ้นถ้าเอาหญ้าสดไปใส่เอาเลยโคไมสดโคไมสดคืออะไรรู้วหมขี้วัวสดสดไม้สดแล้วก็เอาน้ำพรม ฝนฝอยลงปโปรยลงไปในไฟนั้นเขาอาจจะให้ไฟน้อยนิดลุกพรงได้หรือไม่ไมไนี่พวกเจ้าถามพระภิกษุทั้งหลายก็บอกไม่ได้พระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็กชันนั้นในสมัยที่จิตหดหูไม่ใช่เป็นเวลาเพื่อจะเจริญปัสสติสมาธิละวขาเวลาจิตหดหูจําไว้อย่าไปเจริญความสงบ อย่าไปทาสมาธิให้ตั้งมัน่นอย่าไปวางใจเป็นกลางแย่ก yeah, ็ <Yeah. S 1> แล้วกแก้ไขผิดห้ามนี่เป็นข้อห้ามนะข้อห้ามเป็นข้อห้ามพวกเราไม่ค่อยฉลาดในเรื่องนี้สติไม่ตื่นตัวมาคอยสังเกตพอยามจิตหดขูที่ไรแล้วไม่กระตือเือร้อนก็ปล่อยเฉยสบก็หลับหลับพวกนี้หลับเพราะอะไรไม่เข้าใจพุทธพจน์ เม้การฟังธรรมเนี่ยเวลาจิตมันเกิดหดโขลขึ้นมาก็เลยปล่อยเฉยแล้วก็แล้วก็ง่วงหลับฟังไม่รู้เรื่องนั่งหลับเลยแต่นี้มียองก็บอกว่าเสียงท่านมันน่าหลับนี่ <c oughs> มาโทษอีกโทษพระอีกพระก็ไม่รู้จะทำยังไงจะทำยังไงเสียงน่าหลับแตหละแเสียงพระน่าหลับก็กไี่รูจะทําไงแต่นี้แล้วก็นึกแต่ก่อนนี่ก็ ฉันก็เชื่อยอมเนี่ยพูดจนฉันเชื่อเลยว่าเออเสียงฉันฟังแล้วน่ารับฉันก็ออกไปฟังดูเอ๊ะทาไมเราฟังไม่หลับวะฉันก็เลยให้เขาถามคนบอกไม่หลับท่านหลับได้ไงฟังท่านพูดเป็นเหตุเป็นผลไม่หลับเอ๊ะมียอมคนหนึ่งพูดบ่อยๆเขาอาตมาเชื่อเลยเชื่ออ๋อเรานึกว่าเสียงเรานะ่าฉะนั้นสรุปแล้วในตอนนี้ฉันไม่เชื่อแล้วเสียงฉันเนพราะ ไปเจริญปสัสสติสมาธิเวกขาในขณะฟังบางคนไปตั้งสมาธิฟังแล้วก็ทําจิตเริ่มสงบลงสงบลงแล้วก็วางใจเฉยเฉยกันหลับสิแต่เนี้ยไม่หลับได้ไง <c oughs> ก็เรียกว่าเจริญโพชงผิดแล้วแล้วก็คิดว่าอ๋อเฉพาะเจริญกรรมฐานเท่านั้นถึงไปปรับตอนฟังธรรมไม่ปรับพวกนี้มือนกินอีกเนี่ยมือนกิน <c oughs> การฟังธรรมก็เป็นภาวนากุศล <c oughs> ก็ต้องคอยปรับ ก็ต้องคอยปรับตอนนี้มาให้พระคอยปรับให้เหนื่อยมากเวลาไปบรรยายที่ไหนมาไปบรรยายไหนไหนไปเจอคนนั่งหลับอยู่เรื่อยแล้วก็ต้องคอยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยพระกันเหนื่อยไปที่ไหนก็เหนื่อยลองไปลองฟังเทพที่บรรยายบรรยายดูไอ้ที่บอกพูดกระตุกให้คนตื่นน่ไม่ใช่อะไรหรอกมีคนนั่งหลับกันทีนั่งหลับเป็นสิบๆก็มีเออ <c oughs> ไปไปประมาณที่แรกเราก็นึกว่าเสียงเราเนี่ย ฟังแล้วน่าหลับผู้ไหนได้คนฟังไม่ปรับอินซีไม่ปรับโภชงเวลานั้นน่ะมันเหมือนกองไฟนยมันหลีๆลเล็กนิดเดียวเนี่ยเราเอายาสดไปใส่เอาเอาน้ำไปพรมเอาฝุ่นไปโปรยลงแล้วก็เอาขี้วัวสดๆไปเทราดลงไปไฟก็มอดหมดดับเหมือนกันเวลาฟังธรรมะเนี่ย หรือเวลาทํากิจที่เป็นการเจริญกุศลตอนนั้นจิตมันจิตมันหดหูลงใช่ไหมท้อลงเนี่ยตอนนั้นน่ะก็ดันไปตั้งสมาธิใหญ่ไปวางใจเป็นกลางเฉยไปทำความสงบให้เกิดขึ้นเรียบร้อยเลยในสมัยที่จิตหดหูเป็นเวลาสมควรที่จะต้องเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌง์ปิธิสัมโพชฌ ง, ง์ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเวลานั้นน่ะจิตหดหูเช่นเวลาฟังธรรมะและจิตมันหดหูยี่เป็นต้นน่ะจิตที่หดหูนั้นง่ายที่จะฟื้นขึ้นได้ด้วยธรรมะเหล่านี้ด้วยธรรมะวิจัยวิจัยแยกแยะด้วยแ ก, กล้าก้าอาหานด้วยทําจิตให้ฟูขึ้นปิติขึ้นอุปมาเหมือนบุรุษต้องการที่จะให้ไฟน้อยมันนิดมันลุกโพลงอ่ะก็เอาหญ้าแห้งใส่เข้าไปเอาโคโคไม้แห้ง ขี้วัวแห้งๆใส่เข้าไปเอาไม้แห้งใส่ลงไปเอาลมเป่าก็อีกไม่โปอยฝุ่นลงไปในไฟนั้นไฟก็จะต้องลุกโชนขึ้นหรือไม่พาโกบอกว่าได้ไฟลุกโพรงได้เน่พระเจ้าข้าเนี่ยเพิ่งทราบว่าเจริญธรรมวิจยญาสัมโพชฌง์วิริยปีติสัมโพชฌงด้วยเหตุอย่างนี้ได้เหตุแบบนี้ตรงนี้ ก็คือว่าภิกษุท <t ip kea |tt|> ั้งหลายทำที่เป็นกุศลและกุศลมีอยู่ทำที่มีโทษและไม่มีโทษก็มีอยู่ทำที่สามและประณีตก็มีอยู่ทำที่เป็นฝ่ายดำฝ่ายขาวก็มีอยู่การมันใส่ใจโดยแยบคายในกุศลธรรมเป็นต้นนั้นย่อมมีได้การมันใส่ใจนี้เป็นเหตุที่ทําให้ธรรมวิจัยคือปัญญาเกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นธรรมธรรมวิญญาณสำโบฉงที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่ เป็นไปด้วยาการอย่างนี้ฉะนั้นการหมั่นใส่ใจการวิ จ, จัยการแยกแยะเหตุผลประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทำดำทําขาวทําที่ควรเจริญไม่เป็นเจริญอะไรเป็นกุศลอกุศลถ้าไปแยกแยะอย่างนี้ปัญญาเกิดไหมโอ้โหปัญญาทํางานเต็มเต็มรอบเลยถ้าไปมึนๆเฉยๆอย่างเนี้ยแล้วปัญญาจะทํางานได้ยังไงนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ นอกจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าภิกษุกทั้งหลายความริเริ่มความภาคเพียรความบากบันมีอยู่การหมั่นใส่ใจโดยแยบคายในความเพียรทั้งสามอย่างย่อมมีได้เหมือนการใส่ใจนี้เป็นเหตุที่ทําให้วิญญาณสำโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นวิญญาณสำโพชงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้เจริญไพ่บูรพิญโยภาพยิง่งขึ้นไปทีนี้ความเพียรมีสามประเภทหนึ่งอรพทาต สองนิกกมาธาตุสามประกรมามธาตุใช่ไหมอาระบาดธาตุคือความริเริ่มความเพียรเริ่มต้นเพื่อปฏิบัติธรรมะเหมือนการก่อไฟต้มน้ำเพื่อให้น้ำคือกิเลสลดน้อยลงตามลำดับได้แก่อะไรดีถ้าตัววิปัสสนาญาณเนี่ย อาราัปธาตจริงๆท่านเอาวิปัสสนาญาณที่123อย่างนี้เป็นต้นวิปัสสนาญาณที่ยังอ่อนๆอยู่ปัญญายาณที่จังเป็นระดับแรกๆอยู่เนี่ยการเริ่มมนานสิกการเพื่อจะไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเป็นต้นเหล่านี้ส่วนนิกรรมธาตุเนี่ยความภาคเพียรหรือความเพียรกําจัดความเกียดค้านในระหว่างปฏิบัติธรรมมีกําลังมากมากกว่ า, าราัปธาต คือพ้นไปจากความเกียดค้านเนื่องจากความเพียรที่ได้อาเซวนปัจจัยก็คือการเสพ บ, บ่อยๆบ่อยๆบๆการเริ่มต้นการปลูกเร้าบ่อยๆบๆบอ่อๆข่มความเกียดค้านที่เป็นปริปักษ์ได้อันนี้เป็นวิปัสสนาญาณที่สูงๆขึ้นไปนีนี่พิจารณาเห็นความเกิดเห็นความดับกําจัดความเกียดค้านเกิดขึ้นที่มีนิกรรมาาธาตุเ น, นี่ยเดวนี้นี่นิกรรมาาธาตุส่วนปรักรรมาาธาตุเนี่ยเป็นความบากบัน่น คือมีความเพียรที่ก้าวไปข้างหน้าเพียรเพื่อบรรลุอริยมรรยผลคือพันิพาณอันเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมมีกำลังมากกว่านิกรรมธาตุได้แก่วิปัสนาญาณเริ่มได้ที5 6 7หเจเป็นไปตามลำดับเนี่ยแล้วก็จนบนรรลุสังขารุเปกขาญาณเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะนะภิกษุทั้งหลายนี่แหละทำมันเป็นเหตุ การเกิดขึ้นปีติสัมโพชงมีอยู่การมันใส่ใจโดยแยบคายในธรรมมันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นของปีติสัมโพชงนั้นจะมีได้การหมันใส่ใจนี้เป็นเหตุที่ทําให้ปีติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นปีติสัมโพชง์ที่เกิดขึ้นแล้วเจริญไพ่บุญปีติเนี่ยคือตั้งที่ตั้งของปีติเนี่ยปีติสัมโพชงการใส่ใจเนี่ยโดยแยบคายในกุศลธรรม การมนุษการเพื่อจะทําให้ปีติเกิดขึ้นเนี่ยธรรมพิจารณาลักษณะของการใส่ใจก็คือการใส่ใจในพุทธคุณในธรรมคุณในสังฆคุณเป็นต้นเหล่าเนี้ยปีติที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญอย่างนี้เป็นต้นมีใครถามอะไรไหมมีไหม อ๋อเมื่อกี้ยอมถามมาเรื่องจิตหดหูเนี่ยจิตหดหูได้แก่ได้แก่อะไรใช่ไ <c oughs> หมหดหูท้อถอยเนี่ยก็เรียกทีนะมิะถ้ทีนะก็คือเซงมิท้ก็คือซึมทีนะเนี่ยธรรมชาติที่ทําให้จิตหดหูท้อถอยจากอารมณ์มิท้ก็ทำให้จตระสิกเส่งซึมท้อถอยจากอารมณ์เลย ทีนี้ถีน่ากมิทะถามว่าเป็นโลภะหรือเป็นโทสะเป็นได้ทั้งโลภะและโทสะเวลาเราโลภแล้วเนี่ยหรือเราหวังแล้วเราต้องการแล้วอยากจะได้แล้วเวลามันไม่ได้ขึ้นมาก็เซ็งเหมืนโกรธนะเวลาโกรธขึ้นมาก็เหมือนกันโกรธด้วยอะไรด้วยแล้วก็เซ็งด้วยก็ได้เนี่ยลักษณะนี้จึงจึงแล้วแต่สภาวะที่เขาไ ป, ไ ป, ไ, ปไปพบเจอจึงเป็นได้ เป็นได้ทั้งโลภะเป็นได้ทั้งโทสะเนาะมีแค่นั้นนะที่ถามเนะี่ยวันนี้ก็พูดมาพอสมควรแก่เวลาเนาะจริงๆก็คือมีเรื่องที่จะต้องกล่าวอีกค่อข้างเยอะเลยเนะี่ยจริงๆถ้าขยายเนี่ยจะเป็นเรื่องยาวมากในเรื่องการปรับเกี่ยวกับเรื่องการทําอัปนาโกสันละให้ช่ำชองเนาะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพื่อการที่จะทําให้สมาธิ เข้าถึงความตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วเป็นต้นอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดถึงในเรื่องของการโงกง่วงเนี่ยหรือตัวถีนมิทะเนี่ยความหดหู่ท้อแท้เนี่ยในพระ ส, สูตรอังคุตตรนิกายสัตกาศนิบาตปัจจารายณะมานาสูตรเนี่ยท่านบอกว่าการกำจัดสัญญาที่เป็นเหตุแห่งความง่วงการพิจารณาธรรมะ การสาธยายธรรมะการดึงหูทั้งสองข้างและใช้มือรูปตัวการล้างหน้าและการมองดูทิศนั้นๆและการเหน็นมองดูดาวการใส่ใจในอโรการสัญญาและการเดินจงกรมเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นเหตุแห่งการที่จะแก้ความเซ็งหรือที่เรียกว่าทีนะมิทาเป็นต้นได้ขดหูท้อถอยได้การกำจัดสัญญาที่เป็นเหตุแห่งความง่วงทำยังไง เวลาท่านทั้งหลายจะกำจัดสัญญาเราจำหมายใส่ใจในเรื่องอะไรแล้วมันทำให้ง่วงทำให้เส็งก็ละสัญญานั้นอ้าวสัญญาแบบไหนทำให้ง่วงให้เส็ ง, อ ง, องโอ้เบื่อจังว่างั้นฮะไอเราจำว่าเราเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากยุ่งกับใครอยากนอนอยากนอนและไม่อยากยุ่งกับใครและอยากเนี่ยไอความจาหมายอย่างเนี้ย หรือเราจําเรื่องอะไรแล้วใส่ใจเรื่องอะไรโอ้รู้สึกมันวันนี้มันกุ้มกุมมันเซ็งเซงแล้วเกินฟ้ามันก็สลัวมันไม่สว่างสวัยเลยดูอะไรก็มืดคลืมไปหมดไอ้สัญญาลักษณะแบบเนี้นะเป็นสัญญาที่ทําให้เบือ่อทําให้เซง็งให้กําจัดสัญญานี้ทิ้งมีสติตั้งมั่นใช้ปัญญาไปสอบสวนกําจัดความจําแบบนี้ทิ้งไปเกลียดสัญญาสมาทาน ตั้งมั่นมีความแกล้ากล้าอาตถารที่จะล่าสัญญานี้จะไม่ให้สัญญาที่ทําให้จิตหดหูเข้ามาสิงอยู่ในใจนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาคิดอย่างนี้เขากำจัดสัญญาที่หดหู่ที่ง่วงที่ซึมเขาใจอย่งังความจําในเรื่องอะไรที่มันทําให้หดหูเนี่ยให้ละสัญญานั้นสมาทานที่จะไม่ให้สัญญานั้นไม่มีอิทธิพลในใจเราอีกสองก็พิจารณาธรรมะเอาธรรมะมาพิจารณา เอารูปมาพิจารณาเวทนาเป็นต้นมาวิจัยแยกแยะโอ้แยกแยะไปก็ตื่นเต้นแล้วแต่นี้ยไอตัวความง่วงความโมโถก็หายอ้าวถ้ายังไม่หายเอกสารสาธยายเลยบทไหนสาธยายได้บางคนบอกโอสาธยายได้บทเดียวนะโมตส่ <c oughs> <c oughs> นานะโมตส่าภควัตโตะธาตสัมมาสัมพุทธัสตได้แค่บทเดียวเองโยมนเนาอ้าทําไงดีบางคนบอกยอมจะร้องเพลงได้ไหมว่าเอาเอาเอาเป็นงั้น ก็าไม่สายายายทำถ้าร้องเพลงก็เอาเพลงที่มีเนื้อหาธรรมะเนี่ยใช่ไหมที่ที่ร้ อ, อ, องเรื่องความไม่เที่ยงเนียนยีความไม่เที่ยงเป็นเป็นต้อนอะไนี้ความเป็นทุกข์ความผิดหวังความเบื่อห น, น่ายมันี่ยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้อ น, นอ่าถ้ายังไม่หายอีกดึงหูเลยยอมดึงหูดึงหูทั้งสองข้างดึงและใช้มือรูปตัว รูปไปรูปมารูปไปรูปมาบางคนรูปหน้าได้ไหมรูปหมดนี่นแหละรูปทั้งตัวเนี่นแหละรูปหมดแล้วก็ล้างหน้ามองดูทิศลองดูดวงดาวแล้วก็การใส่ใจในอโรมสัญยยาคำว่าอารมณัญญามนัสิการเนี่ยตรงนเนี้นะ ก, การบรรเทาถีนามิท h a ด้วยการใส่ใจในโรคกัญญาการเปลี่ยนยาบวและการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นต้นเะไเนี่ยมีข้อความหนึ่ง เขาบอกว่าบอกว่าพิจารณาความประเสริฐโดยชาติตกูลวิธีการดังกล่าวนั้นขึ้นเชื่อภิกษุไม่ไม่ใช่คนมีชาติต่ำเป็นผู้เกิดในวงตระกูลของพระเจ้าโอกากะผู้สืบทอดมาจากพระเจ้ามาหาส ม, มุติเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าสุธโธธนะและพระนางสิริมหามายา เป็นผ้านุชาของพระราหุนกุมารเมื่อท่านเป็นชินบุตรเช่นนี้จึงไม่ควรอยู่อย่างคนเกียจค้านให้ใส่ใจในลักษณะอย่างนี้แล้วก็พิจารณาผลของความเพียรชอบ <c oughs> ในคำภีต่างๆก็บอกว่าไงเดียรความประเสริฐว่าเรามีความประเสริฐของเพื่อนพรหมจัรยร์ เพื่อนพมจันย์มีภาษารีบุตรพระโมคคาราณะและพระมหาสาวกอีก8ปดสิบรูปได้แทงตลอดโลกุตระธรรมด้วยความเพียนท่านจะมาปริบัติท่านจะมาทำความเกียรติค้าใี่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สำคัญไม่สมควรกับเราเลย <c oughs> ถ้าเป็นยอมผู้หญิง ก, กันนั่นแหละเอาใครเดียวคุดชุดตลานันทมาตานางวิสาขามาพิจารณาโอ้ยขนค น, ขนขวายในการเจริญกุศลอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยว่าจะหยุดเลยไม่ได้หยุดเลยอย่างอแค่นี้นะสมควรแก่เวลาข้อมทธนากับเราท่านตั้งหลายเอาไว้โอกาสหน้ามีเวลาก็ค่อยนั้นจริงๆก็อยากจะบรรยายตลอดถ้าวันไหนว่างมาทันหรือว่าดึกหน่อยก็จะให้พระท่านแจ้งเวลาเป็นระยะระยะญญอ้อพรุ่งนี้ไม่ได้บรรยายใช่ไหมกลับมากี่โมง อ๋อพรุ่งนี้ันพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันพักผ่อนให้ไปทบทวนที่บัาไแล้ววันต่อไปก็ว่าใหม่นเนาะเอโมูทนากับเราท่านทั้งหลายขอให้พระรัตนาตรัยคุ้มครองด้วยกันทุกท่านทุกประกาศถึง